ปัาท่านอาจารย์มั่นที่แรกท่านเทศน์ท่ฟังไม่เข้าใจแต่ก็ดีไม่เคยคิดตำหนิท่านมาตำหนิตัวเองนั่นเห็นไม่หวานะเคยฟังเทศแม้กระทั่งเทศสมเด็จก็เคยฟังเข้าใจมาเป็นลำดับกำลังแต่พอมาฟังเทศท่านอาจารย์มั่นไม่เข้าใจแต่ว่าตัวโง่หรือกลัวฉลาดวางนั้นไว้ตัวเอง าอาจารย์มั่นปรากฏชื่อนามมานานแล้วทางด้านปฏิปิมัติในทางจิตใจเวลาท่านเทศน์ฟังเกี่ยวกับทางจิตใจจริงๆแล้วไม่เข้าใจนี่เห็นท่านแล้วยังความโง่ของตัวเองไวะเพราะส่วนมากท่านเทศน์สอนพระท่านจะเทศน์ด้านปฏิบัติล้วนๆเราไม่เข้าใจ นั่งฟังอย่างนั้นเพราะท่านพูดถึงเรื่องจิตเรื่องอยนั้นอย่างนี้นอย่างที่เราเนี่ยือจิตเรื่องขันอะไร้าเราก็ไม่สาบจนกระทั่งจิตสงบลงได้เริ่มเข้าใจจิตเริ่มสงบก็เริ่มเข้าใจจิตมีฐานแห่งสมาธิ ก็ยิ่งเข้าใจชัดเจนไปโดยลาหนักลำหนักจากนั้นก็กลายเป็นซึ้งเลยซึ้งไปเรื่อยๆในทางเทือดถึงเรื่องปัญญาแม้เจ้าของจะยังไม่ก้าเดินทางด้านปัญญาก็รู้สึกว่ามันซึ้งไปทตามๆกันเพราะจิตมันรับแล้วจิตเมื่อจิตมีฐานด้วยดีแล้วย่อมรับทาได้ดีถ้ามันยังไม่มีฐานมันก่อนต้อค่อยรับ ไม่ค่อยเข้าใจก็ไม่ทราบจะรับได้ยังไงการฟังเรื่อยๆการปฏิบัติอยู่โดยสม่ำเสมอกเป็นการขัดเกลาจิตด้วยกันทั้งนั้นการปฏิบัติโดยลําพังตนเองก็เป็นการขัดเกลาจิตการฟังตักท่านก็เป็นการขัดเกลาจิตใจของเราเป็นลำบากลำบากจิตใจก็ยิ่งมีความสงบเยืเย็น เวลาท้าอธิบายธรรมะเป็นตอนๆเป็นทักพักไปเรามีข้อความใจจิตใดอยู่เพราท่านเทศฐานไปตรงนั้นเราก็ได้รับความเข้าใจทันทีทันทีแล้วค่อยเข้าใจไปเรื่อยๆแต่ก่อนที่จอ่านในประวัติว่าครั้งปฏิการพระพุทธเจ้าแสดงธรรมพุทธบริษัทได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันเป็นจานวนมากมาย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 ไปถึงนั้นแล้วต่อไปกเข้าสงสัยในจุดนั้นพอท่านเทศพอผ่านไปเรื่อยเข้าใจไป เ, เรื่อยเลื่อนระดับไปเรื่อยต่อไปก็ผ่านไปได้เนี่ยยิ่งผู้ติดจวนอยู่ในธรรมะขั้นละเอียดด้วยแล้วก็ยิ่งไปได้อย่างรวดเร็วทีนี้ผู้ปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งที่สูบริษัทเป็นสาคัญมากเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิภาวนาท่านปฏิบัติของท่านอยู่เป็นประจําภูมิจิตมีความเหลือล่อดร้อนต่ําสูงกัน เป็นลำดับลำดาของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นการฟังเทศกิจเป็นเรื่องเบร์เป็นการเบริกทางให้ท่านได้ก้าวไปวันละเล็กละน้อยโดยลำดับลำดับพอผู้ผู้พอที่จะผ่านไปได้ก็ผ่านไปเรื่อยๆนั่นคือว่าสําเร็จมกุฎิพานธ์คือท่านเทศแล้วแก้ความสงสัยได้และผ่านไปได้เลยยกตัวอย่างเช่นพระอนิตตราภิคุ ท่านกำลังสงสัยธรรมะขั้นละเอียดที่จะไปทูลถามพระพุทธเจา้าพอไปถึงใต้ถิงพระกันตะบุดีพอดีฝนตกก็เลยยืนอยู่ที่ใต้ถิงนั่นทั้งเกยดบูน้้ำที่ตกลงมาจากชายคาก็ามากระทบน้ำกับพืพ้นแล้วกเกิดตั้งเป็นตาต่อมเป็นฟองขึ้นมาตั้งคืน อ, อะไรมันก็ดับตากด การกับพิจารณาเทียบเียงกับจิตภายในคือสังขารคือความปรุงเพราะจิตท่านนี้จะพิจารณาเรื่องสังขารความปรุงของใจมากกว่าอย่างอื่นในเวลาน้าตกลงมากระทบกันค น, นอกจากมีความกระเพื่อมแล้วก็ตั้งเป็นต่ําขึ้นมาเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปดับไปท่านเขาพิจารณาเทียบนะเียงอยู่ภายในเข้ามาภายในคือความคิดความปรุงของจิต คิดดีคิดชั่วมีความเกิดความดับเป็นคู่เคียงกันไปโดยลำหนับลำหนับเสร็จแล้วก็ลงกลายไปเป็นน้ําอันของเก่าอันนี้เสร็จแล้วก็ลงไปที่จิตของเก่าท่านเลยบรรลุธรรมในสถานที่นั่นเสียพอบรรลุธรรมเสร็จแล้ว้นตกหยุดท่านก็กลับไปกุฏิไม่ไปทูนถามพระพุทธเจ้าเลยเพราะหมดข้อสงสัยแล้วหนาทำความจริงเมื่อเข้าถึงจิต ดวงใดจิตดวงนั้นถ้าหายสงสัยทันทีแม้แต่จะประทุนถามพระพุทธเจ้าอยู่ก็ไม่ทูนถามเพราะหายสงสัยแล้วแม้จ ะ, จะประทุนถามท่า น, ท, านท่านก็จะรับสั่งว่าอย่างที่เข้าใจนี้นก็เลยหมดปัญหากลับไปคู่ดีนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อเก้าเขาถึงขั้นปัญญาแล้วอยู่ที่ไหนก็ฟังธรรม อีกทั้งนั้นมีอะไรมาสัมผัสเป็นธรรมทั้งหมดเพราะเป็นเครื่องเตือนสติให้เรารลืกรู้ปัญญาก็วิ่งตามทันทีทันทีทนทโดยอัตโนมัติพิจารณาอย่างรวดเร็วอะไรมากระทบรู้เท่าทัทนพิจารณาแยกแยะเป็นอัดเป็นธรรมไปทั้งสิ้นดังที่ท่านอาจารย์มั่นท่านกราบเยียมพระมหาเถระดังที่เขียนไว้แล้วในประวัติขอ ง, ท, งท่านท่านดูคนเดียว เวลาเกิดข้อของใจขึ้นมาท่านปรึกษาปรกกับใครท่านบอกท่านฟังเทศอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่ได้หยุดด่อนเลยทันว่ า, ามหาเทระก็ไม่กล้าจะข้านทันวายอย่างไรเพราะไม่เข้าใจประการที่สองท่านพูดออกมาจากความจริงก็ไม่กล้าจะข้านท่านได้อย่างไรคำที่ว่าฟังเทศอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนก็คือสิ่งที่มาสัมผัส ตสติปัญญาอยู่ตลอดเวลาให้เข้าใจในสิ่งทั้งหลายแให้พิจารณาสิ่งทั้งหลายจนเป็นที่เข้าใจเข้าใจไปเรื่อยบนั่นแหละคือการทำทั้งกลางวันกลางคืนเพราะสติปัญญาขั้นนี้เป็นขั้นทำงานเพื่อทำเท่านั้นไม่เพื่ออย่างอื่นอะไรทั้งหมดนอกจากทำล้นวนๆเท่านั้นด้วยเห็นนี้ท่านจึงสอนให้จิตมีความสงบ อบรมสมาธิเพื่อใจได้รับความสงบแล้วพิจารณาทางน้านปัญญามันจะตั้งหน้าทําหน้าที่ทํางานานั้นๆไปเพราะความไม่หิหวโหยของจิตจิตที่มีความสงบมีพุ่มฐานแห่งความสงบอยู่ภายในใจและคิดอ่านใ่ตรองเรื่องอะไรอันนี้ย่อมไม่มีความหิหวโหยวุ่นไปกับอารมณ์ต่างๆ ต, ต, ตั้งหน้าตั้งตาทํางานหรือพิจารณาอะไรก็จงใจพิจารณานั้นจริงๆแล้วเป็นอัดเป็นธรรมขึ้นมาเข้าใจโดยลําดับลำหนัก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 ขันใดทั้งนั้นพอถอยออกมาแล้วก็มีกำลังระหว่างขันกับจิตก็พอเหมาะผสมกันแล้วทำงานได้ต่อไปท่านจะต้องปฏิบัติอย่างนี้ตลอดปัณละนี้ผ่านเรื่องสมาธินี้ท่านจ ะ, จะต้องช้ยอย่างนั้นตลอดไปจึงเรียกว่าท่านทำความเพียรเพียรระหว่างขันกับจิตเท่านั้นไม่ได้เพียรเพื่อจะละพรนยิ่งเล็กตัวใดหากว่าจิตไม่ได้ใช้ความพื่องานหรือว่า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 ผ่นพ้นไปโดยลำดับก็คือปัญญาเป็นเครื่องส่งเสริมหรือเป็นเครื่องขัดเกลาเป็นเครื่องแก้สิ่งที่ขัดข้องเวลาเช่นเราเดินทางไปนี้มีขวามีกมีหนามเราก็เอามีดหรือเอาอะไรฟันออกไปเดินไปเรื่อยฟันออกไปเรื่อยอะไรมาจีดมาขวางก็ฟันเรื่อยเดินไปเรื่อยจีดดำเนินไปก็ต้องมีสติปัญญาเป็นเครื่องกำขาบรักษา ขัดข้อที่ตรงไหนก็แก้ไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆเรื่อยๆเลื่อยๆก้าวไปเรื่อยๆเรียกว่าก้าวไปหรือวพ้นไปอยู่ภายในจิตอันนี้เป็นสมมติอันหนึ่งการปฏิบัติต่อจิตใจการสอดรู้อาการของจิตที่แสดงออกไปสู่อารมณ์ต่างๆเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับผู้ปฏิบัตินี่เรียกว่าเรียนตัวเองโดยเฉพาะ คือเรียนเรื่องของจิตให้ทราบทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาอาการของจิตที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะแยกแยะไปนในทางใดถ้ามีเราได้ฝึกฝนอบรมสติเราจนมีกําลังแล้วเพียงจิตก็เพื่อมเท่านั้นก็เป็นการปลุกสติในขณะนั้นพร้อมๆกัน ค, คือปลุกสติให้ตื่นคือให้รู้สึกในความคิดปลุกนั้นๆ ปัญญาก็ตามตามให้ทันหรือตามกันทันทีพิจารณาเหตุผลในสิ่งที่จิตคิดนั้นแล้วปล่อยวางเมื่อเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางแตนี่เรื่องไม่มีเพียงเรื่องเดียวมีหลายเรื่องด้วยกันคิดนี่นี้แล้วก็ปรุ ง, งนี่นั้นจิตสติปัญญาก็ตามต้อนกันเรื่อยๆสุดท้ายจิตก็เข้าใจเพราะการตามต้อนนันหมายถึงตามต้อนด้วยเหตุผลพอจิต ได้รับเหตุผลที่ถูกต้องแล้วจิตก็ปล่อยสิ่งนั้นไม่ไปกังวลต่อไปอีกที่จะต้องยึดถือแล้วปล่อยมาเรื่อยๆมีท่านเรียกว่าปล่อยวางปล่อยวางด้วยปัญญาปล่อยอย่างนี้เพียงขั้นของสมาธินั่นก็เป็นความสงบของใจยังไม่ได้ปล่อยวางอะไรเพียงสงบของใจชั่วระยะระยะพอเป็นบาดเป็นฐานส่วนปัญญานั้นเป็นเครื่องขุดเครื่องค้นตัดฟันสิ่งที่เกาะเกีเ่ยวอยู่ภายในจิตมีมากน้อย เป็นเรื่องของปัญญาทั้งนั้นการปฏิบัติทำคือกิตกรภาวนาในขั้นเริ่มแรกย่อมมีความลําบากลําบนนั่งก็เหนื่อยง่ายเพราะผลยังไม่สะทากฏ ก, ก, การฝึกจิตจิตก็ดื้อดึงฝ่าฝืนมากบางทีสู้มันไม่ได้และส่วนมากสู้มันไม่ได้ในขั้นเริ่มแรกแต่อาศัยความพยายาม ฝึกฝนอบรมอยู่โดยสม่ำเสมอก็อมีวันหนึ่งจนได้ที่จะกล้าเข้าสู่ความสงบให้เห็นผลขึ้นมาพอเป็นเครื่องพยุงจิตใจเราหรือพอเป็นหลักฐานพยานให้เกิดความมุสาพยายามในการที่จะดาเนินให้ยิ่งขึ้นกว่านั้นต่อไปต่อจากนั้นก็มีความสงบเรื่อยๆจิตใจถ้านมีความสงบแล้วก็คือว่าเย็นใจสบายเหมือนกับเรามีหลักมีแหลง มีที่ยึดที่หมายถ้าไม่มีความสงบเลยก็ไม่ทราบว่าที่ยึดที่หมายอยู่ที่ไหนก็เหมือนอยู่กลางทะเลเรือก็คพลอยแตจะล่มจะจมอยู่แล้วด้วยพายุต่างๆไม่ทราบจะเกาะอะไรนี่แหละทําให้เกิดความวมา้าวิ่งหรือว่าบุ่นขุ่นมัวมากเพราะจิตหาหลักยึดไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องความสงบจึงเป็นหลักยึดอันดีของจิตในขั้นเริ่มแรกอาจารจึงสอนให้อบรมให้มีความสง เราไม่ต้องถือว่าทําบทใดต่ําทําบทใดสูงที่จะนํามากํากับสตินั้นขอให้เหมาะสมคือกับตลิบของตนเท่านั้นเป็นที่ถูกต้องนํามากํากับถ้าจิตชอบจะคิดออกในภายนอกบ่อยๆก็ให้เรื่องคำวิกรรมให้ถี่ยิบเข้าไปถ้าติดตามให้ทันและจิตก็มีโอกาสที่จะเลี่ยไออกไปสู่ภายนอกได้แล้วพยายาเข้าสู่ความสงบ นีอั น, น่งพอสงบแล้วก็เย็นสบายมีหลักใจมองไปญหา้ก็ไม่เป็นฟืนเป็นไฟเป็นหมกเหมือนอย่างตะ ก, ก่อนพอออกมาจากความสงบเล่นอีกพิจนาอีันมีความสงบแน่วแน่หรือแน่แน่เข้าไปโดยลำพัง การพิจารณาขันที่ทันเดียวกว่าปัญญาไม่ว่าขันนอกขันในที่ไหนๆพิจารณาได้ฉะนั้นพเพราะเติมประตูอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาเพื่อแยกเพื่แยกให้เห็นตามความจริงของจริงนั้นแล้วจิตจะได้ปล่อยกังวลผลสุดท้ายก็ย้อนเข้ามาพิจารณาเรื่องขันของตัวเองขันทั้งห้าเนี่ยเคยพูดทุกวันขันนี้ปล่อยไปไม่ได้เพราะเป็นหลักสําคัญของสัจธรรมเป็นหลักสําคัญ ของการก้าวไปแห่งจิตหรือเป็นหลักสาคัญแห่งความรู้เป็นหินักปัญญาอย่างยิ่งก็คือขันทาสติปัญญาและแม่ันที่เป็นข้าสิกต่อตนเองอย่างยิ่งก็คือขันท์ังนั้นจึงต้องพิจารณาขัน์ขัน์มีติดแนบกับเราอยู่ตลอดเวลาส่อความพิรุส่อความทุกข์ความลาบากลำบนความทรมานต่างๆดูกับ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 พอการไปสัมผัสก็ร้อนแดดเองเขาไม่ทราบความหมายของเขาเลยน้ำเขาก็ไม่ทราบความหมายเขาว่าเย็นแดดหรือไฟก็ไม่ทราบความหมายของเขว่าร้อนแต่ผู้ทราบความหมายก็ก็คือเราผู้สัมผัสกับน้ำหรือกับไฟกับแดดนั้นอันนี้ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นมาเขาก็ไม่ทราบว่าเขาเป็นเวทนาเขาไม่ทราบว่าเขาเป็นทุกข์เขาไม่ทราบว่าเขาเป็นสุขเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้นแต่จิตผู้ไปสัมผัส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 พราท่านทราบพระธรรมดาโดยสมบูรณ์แล้วว่าเรื่องทุกเวทนามันเกิดขึ้นก็เป็นสภาวธรรมอันหนึ่งที่ปรากฏขึ้นเช่นเดียวกับสภาวธรรมทั้งหลายทั่วทัวไปแต่ธรรมชาติอันนี้เข้าไปเกี่ยวข้องกับจิตจิตก็เป็นผู้รับทราบด้วยความจริงของจิตด้วยความจริงของสภาวธรรมคือทุกเวทนานั้นเท่านั้นจึงไม่มีอันใดที่จะกำเริบขึ้นภายในจิตให้ก่อเป็นตัวทุกข์ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งจากสมุทัยคือความหลง เพราะท่านไม่หลงเมื่อเกิดขึ้นท่านกา็ทราบว่านี้เป็นสภาพอันหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมาตั้งอยู่ท่านกา็ทราบดับไปท่านกา็ทราบท่านทราบทั้งสามระยะคือระยะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอยู่อย่างนี้ประจําขันขันมีอยู่อย่างนี้มีปรากฏขึ้นตั้งอยู่และดับไปมีภุตเพรญนาเป็นต้นวิน ญ, ญาณรับทราบก็ทํานองเดียวกัน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 ก็ทํานองเดียวกันทุกเวทนาดัดไปขันก็สลายตัวไปอาการทั้งห้าไปพร้อมๆกันหมดสิ่งที่ไม่ไปคือสิ่งที่รู้อย่างเดียวเท่านั้นอันนี้ไม่เป็นอื่นเป็นจิตหรือเป็นผู้รู้อันนี้ไม่แปร ى. นอกจากแปรตามอาการของจิตเท่านั้นส่วนจิตจริงๆจะให้แปรเป็นอย่างอื่นไปเป็นไปไม่ได้ การพิจารณาเพื่อก็เพื่อจะให้เข้าใจจิตอย่างแท้จริงให้เข้าใจขันอย่างแท้จริงขันเป็นอันใดท่านสอนไว้อย่างตายตัวถ้าเราไม่ฝืนความจริงที่ท่านสอนไว้เราก็ไม่เป็นทุกข์ท่านก็บอกแล้วว่ารูปังอนิจจังรสรุปแล้วรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขาราอนัตตายินยานังอนัตตานั่นเป็นต้นที่ไห อนัตตาอนัตตาบอกชัดเจนท่านปิดประตูไว้ไม่ให้เราเอื้อมออกไปยืดไปถือถ้ายืดถือแล้วแม้จะเป็นสิ่งที่อนัตตาไม่เป็นภัยอะไรสำหรับเขาเองก็ตามแต่ก็เป็นภัยต่อเราผู้หลงสุดท้ายคือความหลงเรานั่นแหละมาเป็นภัยต่อเราเองท่านจึงแยกแยะดูสิ่งนั้นแล้วให้มาทราบความสำคัญทั้งกลุมที่ว่าหลงกับสิ่งนั้นๆเพื่อจะได้แก้ภายในนี้อีก หายสงสัยกับผิวภายนอกแล้วก็มาเห็นโทษตัวเองผู้ไปหลงทคนเ <_ s Health rire> ย่ว่าแจ้สองชั้นในขันห้าท่านบอกว่าอย่างนี้อันนี้จังทุกขลักษณะมันอันเดียวกันนั่นแหละไม่ใช่จะแยกกันออกได้ทุกครังในจังลักษณะมันอยู่ด้วยกันเหมือนข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาคนคนหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นข้างซ้ายอันหนึ่งข้างขวาอันนั้นเป็นข้างหนา้านี่เป็นข้างหลังก็คือคนคนเดียวกันนั่นเองอันนี้จังทุกขลังษตาก็คือสภาพอันเดียวกันนั่น ถ้าเราจะจะแยกไปแยกไปตามอาการนั่งมาการากงก็ทําให้ท่านเสือเปล่าๆไม่ค่เกิดประโยชน์อันใดที่เป็นที่ถนัดใจของเราเช่นพิจารณาเรื่องทุกขงังเป็นที่ถนัดใจให้กําหนดลงไปเลยจะทั่วถึงไปทั้งอนิจจังทั้งอนัตตาด้วยเนี่ยไม่ว่าอาการใดเช่นอนัตตากับพิจารณาตาเข า, ก, า, า ก, กลมกลื น, น, น ก, กันไปหมดพิจารณานิจจังกลมกลืนกันหมดขอให้เป็นความถนัดใจของเราผู้พิจารณาความถนัดใจเป็นสิน่งสําคัญ หเห็นตามความจริงของมันอย่าปีงเดียวกับความจริงที่พระองค์สอนไว้โดยถูกต้องนี่เป็นกองไตรลักนษะ์บอกแล้วอย่าอย่าเอื้อมอย่าไปยึดอย่าไปแบบไปหามมันหนักให้ปล่อยตามความจริงของมันทุกครั้งจงอาามีอยู่ทุกอาการของขันะรูปความเป็นกองอันหนึ่งลักละเนะี่ย เมตนาไตรลักษณ์สัญญาก็ไตรลักษณ์สังขารก็ไตรลักษณ์ยิญยานก็ไตรลักษณ์เขาเป็นความจริงของเขาโดยสมบูรอยู่แล้วตามความเริง้งตัเราอย่าไปยึดเราอย่าไปสำคัญอย่าไปปักปันเหตุแดนเอาว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราเราก็สม า, ายเนี่ยการพิจารณาทางด้านปัญญาให้พิจารณาอย่างนี้ จิตให้รอบคอบตัวตนเองให้ฉลาดตัวตนเองทาให้ฉลาดก็ไปหลงเขาความหลงเขาจะตําหนิเขาอย่างไรไม่ถูกเพราะเราหลงเองต้องตําหนิเราผู้ผู้หลงเมื่อเรารู้แล้วมันก็หมดทางตําหนิอาการเหล่านี้มีอยู่ดั้งเดิมตั้งแต่วันเกิดมาจนทั่งวันฉลายตัวลงไปใครเอาไปได้กองมูกกองเวทนาสัญญาตังขานยัญนี้ปล่อยตามสภาพของมัน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 จิตโดนรั้วนั่นหมายถึงว่าจิตกับอวิชชาไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เลยแล้วเอาจิตอันนั้นอือคือเอาความรู้ความรู้ประเภทที่ปล่อยวางจากรูปจากนามหมดแล้วนี้จะเป็นความรู้ที่เด่นที่สุดเป็นความรู้ที่อัศจรรย์อยู่มากมายกลายกองจนเจ้าตัวก็ต้องหลงเชินกับความรู้ประเภทนี้ ถือว่าเป็นของดีพุูงดีอย่างยิ่งแล้วมีความรักความเจ้าวนไม่มีอะไรที่จะเท่าเทียบเท่าได้แล้วถือว่าอันนี้เลิศประเสริฐกว่าสิ่งใดทั้งหมดบรรดาที่พิจารณามาบรรดาที่เคยเจอหรือเคยพบเคยเห็นมาไม่มีอันใดที่จะมีความสง่าผ่าเผยไม่มีอันใดที่จะมีความขวางขัดาาแจ้งเป็นสิ่งที่น่าประจานยิ่งกว่าจิตดวงนี้นี่แหละท่านอย่าอวิชาแท้เป็นอย่างนี้ต้องทําให้หลง ถ้าไม่มีผู้เตือนซะก่อนยังไงก็ต้องหลงในจุดนี้แน่ๆมันนาผู้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบแล้วว่าจุดนี้เป็นอย่างนี้อวิชชาเป็นเช่นนี้การพิจารณาจึงต้องอย่างลงในจิตเพียงอันเดียวเท่านั้นเพราะจึงอื่นเข้าใจหมดสังขารปรุงขึ้นมาทับเหมันกะดับก็ลงไปอยู่อวิชชานั้นเสียเพราะวิชาเป็นผู้บโมการในเมื่ออวิชชามีอยู่สังขารปลุงขึ้นก็ต้องเป็นเรื่องอวิชชา้าให้ปรุง ราภภาพอะไรก็ตามเป็นเรื่องอวิชชาที่จะถ้าสําคัญนั้นหมายลงไปต่างๆนา น, นานอะไรๆก็เป็นกิเลสไปหมดเพราะอาวิชชาพาให้เป็นฉะนั้นจึงต้องโค้นลงไปที่จิตเอาจิตนั้นแหละเป็นสถานที่พิจารณาหรือเป็นต้าหมายแห่งการพิจารณาอย่างสติปัญญาลงไปที่ตรงนั้นโดยไม่ถือความรู้นั้นว่าเป็นต น, นถ้ายังถือความรู้นั้นว่าเป็นตนอยู่ การพิจารณ า, าเขาไม่ถนัดกลัวความรู้นี่จะเสื่อมบ้างจะถลายไปบ้างจะสูญหายไปไหนมัง่งกลัวจะล่มจมไปต่างๆนานามั่งไม่อยากแตะกล้องนั่นแหละคือขีด e t e r i o r หนึ่งหลอกเราอย่างอย่างสนิททีเดียวฉะนั้นเพื่อความถูกต้องตามการพิจารณาจริงๆจึงต้องถือเอาจุดแห่งความรู้ที่เด่นชัดที่ว่าอัศจรรย์มากๆนั่นแหละ เป็นจุดที่พิจารณาคลี่คลายลงจุดนั้นพิจารณาลงจุดนั้นเช่นเดียวกับสภาวะธรรมกับเช่นเดียวกับเราพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายโดยไม่ถือว่านั้นสูงนี้ต่ำไม่ถือว่านั้นเป็นเรานี่เป็นของเราแม้แต่จิตคือความรู้อันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นเราเป็นของเราจะพิจารณาให้เข้าใจจุดนี้นั่นจึงต้องพิจารณาลงไปที่ตรงนั้นพอพิจารณาเข้าไปจุดนั้นแล้ว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 นี่คือจุดสุดท้ายของการพิจ า, า, ารณาธรรมการปฏิบัติธรรมการรู้ธรรมการรู้ทุกก็ดีรู้สมททรรทุทัยก็ดีก็รู้นี้เป็นจุดสุดท้ายการรู้ธรรมที่อยากทรมันสูงสุดก็รู้นี้เป็นขั้งสุดท้ายจากนั้นไปต่อไปอีกไม่มีอะไรที่จะรู้ต่อไปอีกและจะทําให้หลงอะไรก็ไม่มีทางที่จะหลงต่อไปอีกมันเป็นอกุปะหรือเป็นอาัถานะมันเป็นไปไม่ได้ต่อจากนี้ไปแล้ว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 โอนมาจากไล่จากนาจากอะไราาอะไรก่าที่จะทํามาเต็มแล็ดข้าวให้สําเร็จขึ้นมาถึงการนับฐานนี่มันดืดยาวอทําทเป็นปีหน่นอยมีการพิจารณาทำก็เริ่มมาตั้งแต่ล้มลุกคุ่ครานพุทธพุทโธธรรมโมสังโฆล้มแล้วล้มอีกอย่นั้นแหละลูกกี่ครึ่งกี่ล้มกี่ลุกแหละพยายามเสือกคานมาโดยลําดับด้วยความอุตสาห์พ ย, ยายามเรื่อยมะ จนกระทั่งถึงจุดที่ว่าเนี่ยควรจะ ก, การรับทานอย่ว่ามันแคบตอนต้นมันกว้างขนาดไหนมันหนักขนาดไหนหนักจนยกไม่ขึ้นแต่ว่ากว้างก็กว้างจนมองหาทางไปไม่เจ อ, อพอถึงขั้นแคบแล้วก็แคบอย่างนั้นพอแคบขั้นจะแคบนี้หมดไปแล้วที่นี่กว้างก็ไม่ว่าแคบก็ไม่ว่าอะไรไม่ว่าทั้งนั้นเพราะหมดสิ่งที่จะว่าจิตหมดโทษ ว่า ม, มีอะไรที่จะว่าต่อไปนั่นคือแดนแห่งความพ้นทุกโดยจิ้มเฉยพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกก็ดีถึงแดนนี้ด้วยกันไม่มีท่านผู้หนึ่งผู้ใดนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกองค์สุดท้ายว่าจะยิ่งหย่อนกว่ากันในความบริกุทธิ์นี้มีเท่าเหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าพุทธวิสัยคือความสามารถฉลาดรู้ในแง่ต่างๆของธรรมนั้นมีความลึกตื้นหยาดเหยียดกว่ากันเท่านั้นแต่ขั้นเบิกุทนี้เหมือนกันหมด ท่านกล่าวไว้ในธรรมว่านัตติเพโยกาติโยให้มียิ่ยงหย่อนกว่ากันเลยแม้แต่นิดบรรดาพระอรหันต์ทีาศกทั้งหลายนับแต่วิจ้าลงมาเสมอกันก็คือจุดนี้เนี่ยดังที่ท่านอาจารย์มั่นท่านแสดงในเรื่องนี้นิดที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านในครัง้งตุลาการท่านเคารพกันอย่างไรปรากฏในนิดว่าบรรดาพระพระสงฆ์สาวกทั้งหลายที่หลังไหลมา พระพุทธเจ้าก็เสด็จมาใครมาถึงก่อนนั่งเป็นลำดับลำดาตามผู้ที่มาถึงก่อนไม่ได้คำหนึงถึงเอาโสพันเตพระพุทธเจ้าเสด็จมาทีหลังก็ประทับอยู่โน้นก็ยิดตกขึ้นมาอีกนี่เพราะเหตุนายจิตต้องเป็นเช่นนี้ความเคารพขั้มปฏิการเป็นอย่างนี้เลยก็รู้กันมาทันทีนี่คือวิสุทธิธรรมเสม่าเท่ากันอย่างนี้ไม่ว่าใครมาก่อนมาหลังนั่งตามความก่อนมาหลังคือเป็นความเสมอภาค ว่าผูนี้น้อยผู้นี้เป็นผู้ใหญ่ผู้นี้อโวุโสผู้นี้พันเตะเพราอความไม่สุขช่างเหนือกันเนี่ัแยกตารสมมุติเล่ากําหนดทางด้านสมมุติทิศทุกเดียวทําพระพุทพธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้าไปแล้วบรรดาสาวกเพียงลาดับลำดานี่คือสมมุติในความเรพในทางสมมุติเป็นอย่างนี้มีอวุโสพันเตะอย่างนี้านานท่านแยกทั้ทงสมมติทั้งสมมุติให้เห็นอย่างชัดเจน การเคารพกันก็ไม่มีใครที่จะเคารพนิ่มนวลยิ่งกว่าท่านผู้สิ้นชีวิตเคารพกันไม่เป็นพิธีดีกรีไม่เป็นอะไรอะไๆเร่ๆเนี่ยๆ เ, เหมือนดังคนมีจีวิตทําเคารพ ท, ท่านเคารพกันอย่างถึงใจเคารพธรรมเคารพความจริงการเคารพความจริงด้วยความจริงภายนิตใจในี้จึงทําได้สนิทแต่กา ร, รแสดงออกเพียงเป็นมารยาทนั้นแม้จะภายนอกจะอดโดยเขาตามแต่ภายในมันแข็งคือ มันไม่เหมาะสมจึงมีรูปบุบบานดองทุ่ๆต่ำไม่สม่ำเสมอเหมือมนกับความจริงที่เป็นออกมาจากความจริงมันนี่แสดงเถึงตรานี้มียึดติด